าการปฏิบัติจริงๆนะไม่ยากอะไรหรอกสมัยพุทธกาลทำไม เ, เขาฟังธรรมแล้วก็เข้าใจง่ายเขาไม่คิดมากของเราฟังธรรมมากแล้วคิดเยอะแล้วก็กลายเป็นเชื้อโรคมืดหยาดทำสองได้แค่ยากไปจริงๆแล้วง่ายๆหลักการปฏิบัติธรรมทางศาสน า, ศาไม่ไมีอะไรซับซ้อนอะไรหรอก จุดมู่งหมายสูงฝึกของการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องการพ้นทุกข์เร า, ารพุทธเจ้าก็าสอนง่ายๆวิธีปฏิบัติท่านบอกให้รู้ทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์ก่อนนี่จะรู้ทุกข์จะรู้อย่างไรทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายกับใจนี้เท่านั้นเองฉะนั้นท่านถึงสอนบอกว่าทุกข์อริยสัจเลย อุปาทานขันทั้งห้าคือทุก็คือขันท่าขันท่าก็คือกายกับใจเหล่านี้แหะคือตัวทุกข์้ันบอกให้รู้ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจให้รู้ลงที่กายที่ใจการปฏิบัติถ้าดูให้ดีในปฏิบัติฐานสี่นี่เป็นวิธีปฏิบัติเนี่ยก็มีแต่เรื่องการตามรู้กายตามรู้ใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเป็นเหตุผลที่ง่ายๆที่ตื่น อยากรว่าทุกมันเกิดขึ้นได้ยังไงตามรู้ลงที่กายตามรู้ลงที่ใจทุกขมันมีแต่ทุกข์กายกับทุกใจมีสองอย่างมีวิธีที่จะตามรู้ลงที่กายที่ใจที่จะตามรู้ทุกก็ไม่ยากอะไรแรกก็คือสนใจมันหน่อยอย่าใจลอยไปที่อื่นเสียที่คำว่าสติสติฟังแล้วโก้แฝายากทํายากไม่คิดมากนะก็นม่ยากอะไร อย่าลืมตัวอย่าเผลอตัวเนียคอยตามรู้กายตามรู้ใจบ่อยๆของเราชอบไปรู้อย่างอืง่นเช่นเวลาเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยเราดูคนอืน่นเราไม่ดูใจของเราเองไม่ดูกายของเราเองเราได้ยินเสียงเราก็มัวแต่ไปฟังเสียงเสียงคนอื่นนี่ยิ่งข้างบ้านคุยกันเนี่สนใจฟังเป็นพิเศษเราทิ้งกายทิ้งใจของตัวเอง คืออยู ER ่ดีๆเราก็ไปนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เรรู้แต่ความคิดรู้เรื่องที่คิดแม้แต่เราทิ้งกายทิ้งใจของตัวเองซะคิดไปเรื่องนี้จิตใจมีความสุ่ไม่รู้หรอกคิดไปเราสู้มใจก็ไม่รู้หรอกตแต่รู้เรื่องที่คิดเมื่อเราล้างเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติบอกให้รู้รู้รู้สือรู้กายรู้ใจ อย่ารูกายรู้ใจก็อย่าใจลอยอย่าเผลอไปอย่ามือไปคอยสนใจมันให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงอย่างทางกายถ้าเรามีสติไม่ลืมตัวอย่างเวลาเราลุมตัวนั่งเกินเกินเคยไหมนั่งกินข้าวเกินเกินนะยูกัดไม่ขันกายเกิดอะไรขึ้นอย่งไม่รู้เลยหรือใจลอย เดินชนเสาก็ได้เรื่อใจลอยอยู่รือลืมตัวเลืมกายลืมใจไปเรียกขาดสติเรียกให้คอยรู้สึกตัวไว้งานชิ้นแรกที่ต้องทําคือรู้สึกตัวไว้เรื่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจอย่มัวแต่รู้สิ่งอื่นคาว่าสิ่งอื่นคืออะไรสิ่งอื่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผชพระธรรมารมนล้วนี่ของอื่น เวลาเราดูดูเราเดินไปเดอกไม้สวยเื ai, ạn, ่องอาทิตย์ก่อนมีผู้ชายคนนึงมาเนี่ยที่ผมเข้าใจวิธีปฏิบัติมันนั่งฟังอยู่ชั่วโมงพอเสร็จโมงแล้วคลานเข้ามาซุบๆุเข้ามาผมเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติถ้าผมออกไปเนี่ยผมได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมโอ๊ยฟังแล้วจะเป็นลมเลยดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยตัวให้ดูที่ใจของตัวเอง ดอกไม้หอมแล้วใจมันชอบรู้ว่าชอบเน mm. ี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูดอกไม้ทล้วสอนให้ดูทุกคือดูกายดูใจดูผิดตัวไม่ได้เรื่องอะไร mm. อีกคนหนึ่งผู้หญิง mm. เป็นญาติญาติญาติผู้ใหญ่ยู่นา น, นินชาผู้อาวุโสเข้าใจละ mm. เห็นพัดลมก็รู้ว่าพัดลม mm. โอ้ยหญิงก็แอ่เราไม่ได้เป็น เห็นนนวลรั่วนวลเหม็นนี้นั้นได้กลิ่นนี้รั่วหอมได้กลิ่นนี้รั่วเหมนไม่ใช่เราต้องรู้กายรู้ใจเพราะนั้นเวลาตาเราเห็นอะไรสวยๆหนุ่มๆนี่เห็นสาวสวยเดินมานี่ไม่ใช่รู้ว่าสาวสวยนะรู้ว่าใจมันเกิดราคะจิดมันเกิดราคะเดินไปเดินไปนะตัวผู้หญิงเดินไปเห็นสตรูเรานี้เห็นนั้นอิจฉาพวกเราเป็นนังเอง เราไม่คินว่าเราเป็นนางอิจฉานะพวกเราล้วนแต่นางเอกทุกคนเดินไปจักเห็นหนางอิจฉาเนี่ยเราจะเห็นเป็นนางอิจฉาเราไม่เห็นว่าเรากําลังโกรธกําลังเกลียดดังนั้นแทนที่จะไปรู้ของอื่นเนี่ยให้มารู้การู้ใจตัวเองไว้รู้จิตใจได้ก็ดีทีนะ่สุดนะเพราะความทุกข์เกิดที่ใจเป็นหลักเลยความทุกข์ทางใจที่เลีย ก, ก็เกิดที่ใจ ความคนทุกข์ก็เกิดที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจเหมือนให้เราคอยรู้ที่ใจไปเราจะรู้ว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงถ้าเราตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆรู้ใจได้ก็รู้ใจก็ไปเลยรู้ใจไม่ไหวก็มารู้กายไว้ก่อนเพราะกายเป็นบ้านของใจใจมันอยู่ในในกายนี้แหละใค่เราจะไปหาใครสักคนเราหาตัวก็ไม่เจอเราเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยวก็เจอ เรื่อ่นรูกายได้นะรู้ได้แค่กายก็รู้กายไปรู้ใจได้รู้ได้ถึงใจถ้ารู้กายรู้ใจมันไม่ได้ก็ทําสมถะไปก่อนเช่ น, ะนาหายใจไปหายใจแล้วหันรู้สึกตัวไม่ใช่ใหายใจให้ใจลอยนะแม้เรามีแนวรูปแนวรับเก่งที่สุดเลยรู้ทาําจิตใจเองความทุกข์เกิดได้ยังไงนะกิเลสเกิดยังไงตอนไหนใครรู้มัน รู้ไม่ได้ดูกายดีกว่านะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไปอยง น, น, อย น, นั่งอยู่เนี้ยนั่งวันเดียวมันเมื่อยพอมเมื่อยแล้วใจชักระสับสับสายเมื่เริ่มมรรลุถึงจิตถึงใจได้แล้วไม่ยากอะไรนะถ้าดูกายเพิ่งดูไม่เป็นเราทําสมมติฐานไป ก, ก่อนะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยหายใจไปหายใจเราให้นะห ร, ร, ร, รู้สึกตัวหรือนจะพุทโธไปก็ได้แล้วก็รู้สึกตัวดูท้องคองท้องยุบก็ได้แล้วก็รู้สึกตัว จะขยับมือแบบหลวงพเทียนก็ได้ขยับไป ร, รู้สึกตัวเะโยวหลงพ่เกียนใช้คำว่ า, ยาวขยับธาดรู้ลึกตัวเองให้ถึงลุกไว้ฝุกไว้นะศัตรูร้ายคือการนั่งหลับตานั่งหลับตาเอาเลิ้มเคลิ้มใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์วัดป่าก่อนกูไม่ได้สอนอย่า ง, า ง, างนี้กันนิดิดชอบสอนเอาเคลิ้มสอนที่เห็นนน้นเห็นนี่ไทยเกิด น, นิมิตว่าดีก่อนไม่เอาอย่างนั้น คุบอาจารยสอนชัดเลยหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวสาวเต้รู้สึกตัวไม่ใช่ใจลอยพอรู้สึกตัวได้เราก็จะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราใจลอยหรู้ออกไหมอย่างเรานั่งๆเราคิดอะไรใจลอยอันนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะงั้นการใจลอยหรือการหลงนี่แคือสตรวนดำหนึ่งของการปฏิบัติการไม่ไม่ใจลอยไม่หลงก็เรียกพร้อมๆมีสติ มีสติจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวก็เรียกว่ามีความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิในหลักการปฏิบัติง่ายๆจับหลับให้ได้แล้วก็ง่ายจับไม่ได้มัยากหน่นะสติก็คิดว่าเอาไว้เพ่งเอาไว้กำหนดคนเซนรก่อนก็แปลสติว่าความระลึกได้เดี๋ยวนี้แปลว่าการกําหนดใครคนเลยเรื่องการกําหนดเนี่ยปัญหามันอยู่เบื้องหลังจงใจไปดู ในอภิธรรมเขาจะสอนชัดเลยสติเกิดเองเกิดจากการที่จิตมันจําสภาวธรรมได้เช่นมันโกรธมันเคยจําได้ว่าโกรธเกิดยังไงพอความโกรธเกิดเนี่ยสติก็จะเกิดเลยไม่ได้แกล้งเกิดแล้วไม่ใช่มากําหนดว่าโกรธโกรธอะไรอย่างนี้อันี้คือการทิ้งสภาวธรรมไปลงอยู่กับปัญญาไปหลงกับความคิดแล้วความคิดก็ปิดบังสภาวธรรมก็ปิดบังปรมาสุธธรรม หรือสมาธิเราไม่ชอบแต่ ว, ว่าความสงบความสงบที่จริงสมาสมาธิไม่ว่าความตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นคือจิตใจไม่หลงไปไม่ไหลไปสังเกตจิต ใ, ใจเราชอบไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นคนเดินมาไปดูเข้าใจวิ่งอยู่ที่เขานี่ว่าใจไม่ตั้งมั่นเถ้าเราจะมีใจตั้งมั่นไม่หลุดเนื้อหลุดตัว ถึงจะมสีสติรู้กายรู้ใจได้อะไรแตกปลอมทึ้นทางกายเช่นนั่งกายเคลื่อนไหวอะไรแฝงปลอมขึ้นทางจิตเช่นะเกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกขส์สติีันจะได้รู้ได้แต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นเผลอคิดแต่เรื่องอื่น ส, สติก็ทํางานรู้กายรู้ใจไม่ได้ธรรมะทั้งหลายเนี่ยที่เป็นฝ่ายกุศลที่เป็นฝ่ายมรรคเนี่ยทํางานร่วมกันและไม่แยกเป็นตัว ่สติีอยู่ตัวเนึงนะสมาีิอยู่ตัวหนึ่งนะอัญญาไปอยู่ตัวหนึ่งใช่นีถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ mm hmm. เราจะเห็นเลยว่าอ๋อพอกิเราเคลื่อนไปยึดอารมณ์ความฟุก้กก็เกิด อ, อย่างง่ายๆเลยเวลาเราคิดถึ ง, างการปฏิบัติเนี่ยพอใจเราไหลลื่นลงไปเกาะลงในใจหรือเกาะท้องคออะไรกนะ็มันจะเริ่มแน่นๆขึ้น เวลาเราอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรแลต่พอลงมือปฏิบัติปุ๊บคือหนักเลยเข้าใจเราหลงไปนะใจเราไหลไปถ้าเรามีสติรู้ทันว่องไวใจตั้งมากเราจะเห็นโอ้ทุกครั้งที่จิตไหลเข้าไปทํางานก็ความทุกข์เกิดนี่จะรู้เลยว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์เกิดเพราะจิตถลัมเข้าไปจิตทยานเข้าไปเข้าไปยึดเนะี่ยความทุกข์ก็เกิดนั่นจะให้รู้สึกตัวแล้วก็จะรู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไง ควาทุกข์เกิดแล้วก็ตั้หาคือความพยานามของจิตจิตพยายาเข้าไปไปทําอะไรตั้หาพยายาเข้าไปก่ออาวมณ์เรียกว่าบุบาทานไปยึดไปเกาะมีบุบาททานก็อารมณ์ได้แล้วทําอะไรต่อไปทํางานอยู่ตลอดเลยสังเกตไหมพวกเราเนี้ยชอบสนใจเข้าไปทํางานพวกเรานั่งอยู่นี่ามสังเกตไม่ว่าจิตใจเราทํางานตลอดเวลาดูออกเลย การใจิตใจแอบไปทํางานนั่นแหละเรียกว่าพกอะพกพอสัมผัสพอทานใจิตใจที่ต้องทํางานก็ใล้ายๆคนต้องทํางานจิตทํางานหนักกว่าคนนะของเราบางคืนยนอนจิตไม่ค่อยนอนหรอกจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนมันภารบเยอะความทุกข์เยอะเมื่อไหร่ไม่ต้องทํางานก็ว่างงานจบจิตก็ไม่ทุกข์ไม่มีภาระงนั้นจะปฏิบัติยังไงดีล่ะือเจอสาวแล้วจะเอายไงดี เรียสาวรู้ว่าไงรู้ว่าสาวสวยเออมันว่าเช่ามันรู้ว่าอย่างนี้ต้องถามเลยนะไม่งั้นถามเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจค่ะเข้าใจว่าไงใจมันไม่กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าหอมหลวงพ่อจะเป็นลมเนี่ยพุดชั่วโมงหนึงเห็นคนรู้ว่าคนเห็นหมารู้ว่าหมาอะไรเงี้ยโอ้เอาล่ะปวดแรงเขาบอกแล้วว่าให้รู้กายรู้ใจ รู้ใจได้รู้เข้าไปเลยรู้ใจคือรู้ความรู้สึกในคิดของเรามันมีความรู้สึกอะไรนั่งรู้ความรู้สึกจะรู้ความรู้สึกได้ต้องปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นใจกระทบอารมณ์มันถึงจะเกิดความรู้สึกถ้านั่งเช่นนี้คนมาด่ายังเฉยเลยเพราะว่าไปกดธเหมือนไหมงั้นอย่าไปกดธมาปล่อยตาหูจมกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์กระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเนี้ให้คอยรู้ เราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยอยู่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปอย่ยงความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปมีแค่เห็นแค่นี้ยังเกิดความสุขในจิตใจเยอะแยะเลยนะแค่เห็นว่าสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไ ป, ไปเพราะฉะนั้ น, น, นถ้าเราคิดใจเราไม่ตรงนี้ต่อไปเวลาความสุขมาเราไม่หลงระเริงเลยความทุกข์มานะไม่ตั้งตัวเดีย๋ยวก็ไปอย่างหนุ่มๆนี่อกห ปุกมากโลกสลายโลคแตกสลายเนยเดี๋ยวมันก็หายพอหายแล้วขำหนยังใครเคยอกหั ก, ก, ก, ก, กมั้เยเคยมั้มยโหดจู้เลยเนาะนี่กล้าหาล่ะตอนหน้าคุณแม่หองผมคุณแม่ไม่รู้เลยแอบไปรับสาวอั้แล้วยอมแม่เมื่อไหร่จะเลิกห่วงลูกชายเนี่ยไม่หม่วงแนาะไม่อยอมให้มีแปด เด้อดีแล้วคนมีบุญไะมไม่มีภาระเนี่ยสังเกตไหมใจเราเวลาพูดนะใจเราละเลือนรู้สึกไหมเราลืมรู้ความรู้สึกเอย่างนี้เรียกว่าเสอเรียกว่าขับศิรษะงั้นเวลาเราฟังพอฟังสมืติฟังแล้วขับรู้สึกขับเนี่ยรู้เลยว่ามันขับรู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องนะไม่ใช่รู้ว่าเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ไม่รู้ว่ารู้สึกของตัวเองนันไม่ใช่การปฏิบัติอย่างนั้นฟังเลคเชอร์ฟังอาจารย์สอนฟังให้รู้เรื่องแต่ว่าเวลาปฏิบัติทำเนี่ยพอฟังแล้วเกิดคามรู้สึกอย่างไงให้รู้ความรู้สึกลืมรู้ความรู้สึกเรีออยกว่าเผลอนั่งจ้องไว้ทุกอยางก็จะนิ่งซึมแต่ใช้ไม่ได้นะสุดโตง่งต้องฟังเผลอกับขึ้น คุณเสื้อดำใจรอยทราบไหมใจมันหนีเที่ยวรู้ว่ามันหนีไปจะค่อยรู้ทางเรื่อยๆไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็คอยรู้วางรู้สึกนะในรักปฏิบัติมีเท่านี้ เ, เองจบแล้วนะอยงเนี้ยจะทอยอยังโยมาวันนี้ไม่รู้เป็นยังไม่ยอมเลย จริงๆแล้วง่ายๆเห็นไหใครจะถามอะไรเชิญนะผมพ่อพูดจบแนละ้วเห็นไครบหมดแล้วเนี่ยรู้วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะค้พลุกวิธีปฏิบัติทํายังไงก็ต้องรู้ทุกรู้ทุกคืออะไรรู้กายรู้ใจเพราะกายกับใจเป็นที่สร้างของทุกค่อยตามรู้แบบความทุกทางกายเกิดได้ยังไงเกิดเพราะว่มนมีกายมันเกิดมาแล้วมันต้องพุก คือความตุ้มทางใจเด็กว่าใจของเราเนี้ยฉันหลับเข้าไปหลงเข้าไปทำงาน <c oughs> เข้าไปปลูกแตงเข้าไยึดถือก็ เ, เกิดความเครียดขึ้นมาวิธีปฏิบัติทํำยังไงวิธีปฏิบัติก็คือให้ตามรู้ไปถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้ไปใครรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหมดเกิดมาดับแต่มันไม่ดับเรื่องของมันนะให่ดับมัน เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อบังคับเพื่อกดข่มเพื่อเก็บกดไม่ใช่แต่บางคนเห็นกิเลสแล้วกดแบบเคร่งใหญ่เคร่งใหญ่เลยได้หายอย่างนั้นเก็บกดโอ้เวลาสอนพวกปัญญาชนนี้ต้องระวังมากเนี่ยบอกว่าไม่เก็บกดนะมันทําอะไรก็ได้เฮ้ยต้องสอนต่อต้องถือดินหน้าไว้ก่อนนะเนี่ยบอกไม่เก็บกดเห็นสาวที่ไหนสุกเค้าอะไรอย่างเงี้ย บอกหลวงพ่อบัด น, นี้สอนไม่ให้เก็บกดอย่าพวกขี้เกียจเห็นเล่าที่ครูาาบาอาจารย์ครับหลวงพ่อปราโมบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติ <c oughs> หลวงพ่ออะไรบอกไม่ปฏิบัติคูอพูดเอาเองบอกว่าอย่าอยากปฏิบัติให้ตามรู้เขาไปเถอะ้อเราพอเราเริ่มอยากปฏิบัติเราจดแกล้งทํำหึักขึ้นอย่างเนี้ และตัวอย่างเทส e s ี้พวกเราเช่วกั น, นอมองดิสเนี่สมาธิแตกละ <c oughs> ให้ดูหนเลย <c oughs> นี่แก ล, งล้งทำเปนังนั้เราไม่ต้องอยากปฏิบัตะวิธีที่จะรู้ความรู้สึกนี้ ง, ง่ายๆอันแรกเลยอย่าลงไปคิดเอาอยาลงไปคิดเอาให้รู้สึกจริงๆมันรู้ให้ถึงความรู้สึกของเรา นี่วิธีดูความรู้สึกที่ถูกเต้องหรวิธีดูจิตที่ถูกต้องก็มีสามขั้นตอนก่อนจะดูระหว่างดูแล้วก็ลวหลังการดูก่อนจะดูอย่างตั้งค่ารู้ก็รู้ก็ไปเลยเนะช่นคนเขาด่าเราโกรธโกรธก็รู้ว่าโกรธเลยไม่ต้องอ ย, อยีาเพิ่งอย่าเพิ่งด่าขอทําใจให้นิ่งก่อนอ้าวแล้วเชิญดา่า น, ะนีไม่ได้เรื่องนิ่งไปหมดหรือขับรถมา ถูกก็ปากหน้าปักเห็นแล้วอมันแน่แั้แค่ไหนโกรธรู้ว่าโกรธรู้ก็ไปตรงตรงเลยไม่ต้องตั้งค่ารู้รู้ก็ไปตรงตรงเพราะฉนั้นกอนจะรู้เนี่ยอย่าตั้งค่าทําทปกติไม่ทําอะไรเลยนี่แหละอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาในระหว่างรู้ทํำยังไงระหว่างรู้อยจะสลับรู้ไปจะสลับรู้ไปเพ่งไปแช่อยุดข้างในอารมณ์นั้นพวกเราไปเก็ตไหม เวลาเราดูอารมณ์อะไรเนี้ยเราชอบใจเราชอบไหลลงไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลี่ยจิตไม่ไตั้งมัน่นจะดูลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมจะดูท้องจิตเคลื่อนไปที่ท้องจะดูมือจิตขึ้ืนไปที่มือดูเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามีใช้ไม่ได้ดงนั้นระหว่างดูเนี่ยอย่าถาล่ลงไปรู้สึกตัวไว้ตั้งมัน่นดูแล้วไม่เข้าไปทําอะไรดูแล้วจบอย่างแค่รู้ หลังการดูไม่ทําอะไรต่อเช่นไปเห็นโทสศัพทก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะลัโทสศทอย่างเงยให้ดูว่าโทสศัพท์มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกรดูไปไม่ต้องไปหานทางรักเหมือนในใจใจลอยเมื่อยกมือแสดงตัวไหนดือเพราะมียู้ใจลอยคนเดียวทั้งคันนิดเออไห น, นใครเมื่อี้ใครใจลอยวะ <c oughs> ถ้าไม่ยกมือนี่นะคือพวกไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลยว่าใจลอยอว่านุ๊กกี้เป็นใจลอยหมดนเชิงชั้นเลยใจลอยได้ทีหลายแบบใจลอยแบบมือไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้เลยเหนี่เรียกใจลอยสุดขีดใจลอยแบบที่หลงมาคือหลงไปคิดคิดอะไรน่ารู้เรื่องที่คิดหมดเลยแต่ลืมรู้ความรู้สึกของตัวเองลืมกายลืมใจไปหลงแต่สมมุติบัญญัติเป็นควงคิด ถ้ลืมปรมัดถ้าลืมกาลืมใ จ, อ ย, ใจอย่างนี้ก็หลงเหมกันหลงตั้งท่าปฏิบัติก็หลงเหมือนกั น, ต, ก น, กนตั้งท่าทำํำกลืมได้ที่แล้วค้นหาแล้วหาว่าจะดูอะไรดีเที่ออยวหาหญ่อยู่ข้างในใจของเราเนี่หาห า, หาอย่างนี้ก็หลงเหมือนกันหาเสร็จแล้วก็นั่งเก้งนั่งเจ้าก็หลงอีกแล้วจ้องไปจ้องมาแก้ไขเข้าไปดัดแปลงเข้าไปแทรกแซงอนี้ก็หลงหอกีกการหลงทางใจทำได้เยอะแยะเลย หลงไปแล้วนะหลงไปในความคิดสังเกตไหมว่าเราลงในความคิดเยอะวันวันหนึ่งเยอะมากเลยนะครูบาจารที่บอกว่าอมันไม่ตื่นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาแต่เป็นผู้หลับผู้ฝันอยู่ตื่นแต่ตัวแตใจฝันรู้สึกไหมฝันทั้งวันไม่ตื่นตื่นแต่ตัวแนใจฝันคือคิดไปเรื่อยๆเนี่ยเรางตื่จริงๆตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจให้ได้ มาฝังกันอีกแล้วเนาะดูออกไหว่าฝังเข้าใจยงใช่ที่เราเราเราคิดแณะที่เราเราเรยน้รู้ความคิดเนี่ยแ้จะเป็นความอัะไรนะขณะที่เราขณะที่คิดไปแล้วเราพอเราไปรู้ความคิดตรงนั้นหมดขณที่เรารู้สไม่ใช่ไม่ใช่ คือมีสองแบบนะถ้าจะคิดงานเนี่ยนะคิดให้รู้เรื่องจะคิดงานคิดการจะเรียนหนังสือจะฟังเนีเชื่อฟังอะไรเนี่ยฟังให้รู้เรื่องคิดให้รู้เรื่องแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตกําลังคิดเหมือนอย่างเราดูเราลืมตาขึ้นมาจิตเราหลงไปข้างนอกเรารู้ว่าจิตวิ่งไปข้างนอกแล้ววิ่งไปทางตาอันเนี้ยดี เรียกว่ามีสติเรียกว่ารู้ตัวแต่ถ้าไปดูแล้วอ๋อนี่ผู้หญิงนีผู้ชายมี่หมานีไกไ่รู้หมดเมื่อเห็นอะไรอย่างนี้หลงอยู่หหหลลลงงงนี้ใช่ใช่คือไม่รู้สภาวะที่แท้จริงนิดหนึ่งอย่างเนี้ยเห็นเห็นที่คนนะใจเรามีอยู่ที่เขาเนี่ยคนเกิดคิดจริงๆรงถ้าไม่หลงนะก็รู้ว่ากำลังดูอยู่ ถารู้ว่ากำลังดูอยู่เนี่ยนะสำคัญกว่ารู้ว่าดูอะไรพี่นี่พูดในทางปฏิบัตินะเพื่อวความพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไปรู้ว่าดูอะไรดูผู้หญิงดูผู้ชายดูสัตวนะ์นั่นหลงสมมติประจับนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดการดูรู้ว่ากําลังดูเนะี่ยถูกต้องถ้ารู้ว่าดูอะไรไม่ค่อยจะถูกเนะ ล, ละหลงนะแต่ถ้ารู้ว่าเำลดูนี่นคือดจริงใช่ ไม่กลุ้ต่อแล้จะเห็นว่ารูปมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแล้วช่วงที่เราเอียนเรารู้จริงเรารู้ทันี่เรารู้ทันความคิดแล้วก็ภาวะอื่นขึ้มาเราก็ไปรู้คามตรงนี้นะเราเรื่องความรู้แล้วมันจะมีภาวะที่ว่ามันไม่ถูกมันเห็นลอยเคลื่อนที่ที่มันไม่รู้ว่ามออเไม่ใช่ตรงนั้นน่ะดีมากเลยที่เห็น สังเกตออกไหมระหว่าอารมณ์มันมีกาอารมณ์มันมงมีช่องว่างเล็กๆคนที่เห็นช่องว่างเล็กๆตรงนี้ได้เรียกว่าปฏิบัติถึงขั้นสันตปิติในความตื่นเนื่องของอารมณ์สองงานนี้ขาดตอกจากกันอารมณ์มันนี้เกิดขึ้นมีช่องว่างระดับขั้นอันหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเห็นแล้วว่าอันนึงเกิดแล้วก็ดับและงานหนึงเกิดแล้วก็ดับแต่ช่วที่มันเ่ามันจะไม่รู้มั้ยครับมันรู้ไม่ได้ เพราะว่าจิตเป็นลมพะวงแล้วเป็นอนิริยาบถทุกข์อันเลยเวลาเปลี่ยนอารมณ์น่ยลงชับขาดสะบ้าจริงขึ้นเวลาอารมณ์ใหม่ทุกข์เลขาดลงไปอันนี้ในทางปริยัติเขาเรียกว่าเราได้บุญขยับข ย, า ย, ายันเะนะีเป็นวิปัสนาญาณตัวจริงเลยตัวที่หนึ่งวัศนาตัวจริงจริงมันมีเก้าตัวไม่ไม่ใช่คิดเราลนะแต่เห็น เห็นถึงสภาวะที่เกิดขึ้นทั้นอยู่ดับไปมีภาวะบันขั้นมีช่องว่างบังขั้นนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดขึ้นทั้นอยู่ดับไปแล้วก็ขั้นอีกหงตรงนี้จิตขึ้นสู่วิปัสสนาจริงๆเลยของคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่ต้องสนใจนะอย่าพยายามดูนะเล็กเลยไม่จำเป็นต้องรู้นะนแต่ละคนเรียนรู้ไม่เหมือนกันหรอกไม่ต้องไปดูให้ได้อย่างเขา นี่จุดตรงนี้มีจุดที่จะเรต้องระวังดูไปเลยๆรับรับรับรับขาดเรื่อยเนืองเนืองนะจที่จะเกิดวิปัสสนูปจิเลตขึ้นมายอย่างคนชับคุยเห็นว่าคนนั้นติดวิปัสสนูคนนี้ติดวิปัสสนูไม่ใช่วิปัสสนูหรอกเพี้ยนเฉยๆวิปัสสนูจะเกิดได้ต่อเมื่อเห็ุตรงนี้แนละ้วเห็นไปเห็นไปก็จะเกิดการน้อมใจเชื่อเ็นเชื่อว่าโอ้ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวตน ใจมันสรุปไปก่อนสัญญาที่จะเกิดจริงๆริงสัญญาล้าหน้าหรือบางทีโอ้พวกอย่างว่างเปล่าเห็นแต่ว่างเปล่าไม่เอาทุก อ, อย่างหรือไม่ต้องโอ้แตกฐานใหญ่ตอนนี้เป็นความแตกฐานในธรรมะอธิบายอะไรได้เยอะแยะเลยหรือสติกล้าแข็งเกินไปอะไรไหวรู้ลึกลึกลุ่มึงเครียดหรือจะซสึมไปหมดเลยีนี้พวกวีตตุลุนแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะ ถ้าปฏิบัติผิดแล้วเดี๋ยวแก้ได้แต่นะพวกบ้าเหมาอที่อื่นไม่รับแก้นะไม่ทำอะไรพี่ลึกๆี่ลึกมาถ้าจเจริญสติแล้วผิดแล้วจะแก้ให้เนี่ยแนะรู้สึกตัวไปนะรู้สึกถูกนะอย่างนี้หลงนะที่ว่าถูกหนระืที่ขอสอนตอนนี้หลงลรันทราบไหมหลงคิดนะ คิดรู้ว่าคิดไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเข้าใจถึงนะปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความรู้ความรู้นิยมอนทิคเมันให้หมดเลยไม่เอามันรอกเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับเท่านั้นเองจิตใจก็เป็นกลางอยู่ไม่ถล่มลงไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นเพี้ยถล่มแล้วต้านไม่ตัว อ, ออกไหมเออ <c ười> เห็นไหมไม่ยอมขึ้นมาหน้าตงสารมากรู้สึกไหมทํายังไงถึงจะหลุดออกมา อย่าไปดูเป็นสิเอาแล้วสิถึงจุดเลิกไม่ได้แนละ <c oughs> ้วควรเล่าที่นี่ควเรเล่าดังๆให้ดังชังงสระ <c oughs> เห็นไหมให้นี่ก็หยุดแล้วที่จิตเราไจับมันไว้เองถ้าไม่จับไว้มันก็ล่วงไปเลยเหมือนอย่างจิตเม่อกี้มันคล้ายๆก็คือหขวดนี้โอ้หนักจังหนักจังหนักจังไม่ยอมปล่อยแนละ้ว อยากไปถือมันสิง่ายจะตายไปเข้าใจเหมสงนิดเออเออเราเอ่อเข้สูดวน์มีโอกาสที่จะเรียติทเ่มที่เป็นเอาเซเร์เเเป็นเรื่องสมองไม่ใช่นะมคือถ้าเป็นเรื่องสมองเนี่ยนะถราละหันก็เสื่อมได้ เ็ไปจายทางกายทางร่างกายเป็นรูปขันแฉกตัวไปเลยเป็นวิบัติอะไรกัเช่นสมองต่อไปเลยไม่รู้เรื่องเลยการรับรู้ไม่เกิดเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตกับกายคนละหักนนั้นละแล้วช้าที่ทีใครเหรอคะ ไม่เกี่ยวเลยจิตไม่ได้เสื่อมเสียอะไรเียด้วยคือคือจิตกับสมองเนี่ยคนละอันกันสมองเป็นพักปุกใจก็เบิกปานอยู่นะแต่ไม่ออกไปรู้อะไรข้างนอกมืนหลวก็ชาด้านนอนอะไรเงี้ยนะสมองท่านเสียจิตท่านไม่เสียแล้วจิตกับสมองคนละอันกันแล้วทํามหน่ยเรื่องไม่ใช่หลักเกณฑ์เนี่ย คนแก่ที่หมดยืมแต่กินข้าวท่บานได้กินอะไรอย่างนี้ถ้าลการส่การคืนได้เป็นได้ถ้าจะของเสียแต่ถามว่าอยากจะฆ่าใครไว้ไม่มีคินฆ้าจะไม่สั่งร้อยเลยคิดต้องแย่กันนะระหว่างขันเนี่ยขันอ้าจยเป็นวิบัตเมันเป็นองค์ทำฝ่ายวิบัติไม่ใช่ฝ่ายอุปสนฝ่ายอุปสนนะเป็นผลของกลางเสาในอดีต กำลัสบส่งมาให้จะต้องสมองตอบยังไงก็บอบนี่เป็นเรื่องของกายแต่จิตเนี่ยไม่ไหว บอกว่าคนชับคิดนะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ลืมไม่จริงหรอกเราแก่เข้าไปก็ลืมแ้วแหละเพราะสมองมันปอดแต่ว่าถามว่าพออย่างคนทธที่หลงที่ลืมแร้วบางทีรู้มุ่งใจไม่อยากลืมถ้าอาหารไม่รู้มุ่งใจจิตต่้งหากวัดเกณฑ็นะจะถือข้อสงออกมาับ คือคือการการที่จะอาศัยป่าหูจะหมุกลิ้นยังแก่แล้วตาบอดเนี่ยเห็นไปได้ไหมสารอาหารตาบอดได้ไหมอันเดียวกเดียวสารอาหารอูดึงได้ไหมมันส่งไล่ไปทีละทวาร<ม>แต่ว่าหูตึงแล้วกลุ้มใจไหมไม่กลุม้มตาบอดแล้วกลุ้มใจไหมไม่กลุม้มที่หลงที่ลืมแล้วจะกลุ้มใจไหยไม่กลุม้มสมองมันปอด แไม่ใช่ฆ่ า, หารหัสห้ามตาบอดไม่ใช่นะมังงกเป็นฆ่ า, หารหัา ส, าสด้วยตาบอดด้วยต้องแยกกันได้ออกระหว่าง ก, กายกับจิตแต่ว่าจิตเจะเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์เวทนาเไม่ถุกต้องกายนได้ไม่ถูกต้องจิตจิตไม่สเสมอเวทนาไม่เอาสนใจอะไรไกลตัวนะเพิ่งจะฝึกพยัพเป็นญาณถามฆ่ารหารนะัส เปกิดการารหลักใจแล้วมันเป็นเป็นผีได้เป็นเหตุเป็นผจริงจอารมณเหมือนก็เป็นอาการที่บุบว่ามัดแวบอะไรเนี้ยไม่เหมือนกันความรู้สึกแต่ละอย่างเคยรู้สึกไหมอย่างเวลารู้สึกมันเคี้ยวแล้วมอกเป็นแฉกแฉะเวลาสู้ใจแล้วหนักหนักอย่างเงี้ะสภาวะแต่ละอันนี้ไม่เหมือนกันเรารู้ได้ หรือตกใจเนี่ยโวมเข้ามาเลยเวลาฟ้าผ่าเปลี่ยงใจโง่เข้ามาแต่ที่รู้ว่าใจโวกเข้ามาเรียกปฏิบัติ์ล่ะฝึกมาจากไหนเลยทีนี้ฝึกที่ใจฝึกที่เดียวฝึกอยู่ที่ใจเราเฝ้ารู้ไปความเป็ีนแลอะไรเกิดขึ้นในใจนะตามรู้ไปเรื่อยๆห้ามจองระวังนะจะไปจองเอาไว้ก่อน เพศนั่งดูว่าเมื<__่อไรอะไรจะเกิดขึ้นใช้ไม่ได้นะไม่เจา้อไดอนสุดียกันที่ลับเราจะรู้ตัวว่าอะไรที่คุณตั้งมากหรืออะรในงที่คุต้งจเห็นวมีที่เกิดนมาว่าที่ไปต่อทักอแกไม่ได้เออ แต่ว่าเวลาเจริญสติขึ้นแต่ไไม่ฝักเราจะรู้เลยว่าฝักฝ่นยคือความคิดมันก็เหมือนความสื่อเราคิดอะใจมันเป็นคนดูอยู่สางหารไม่เกี่ยวกันแต่อย่างเราฝึกเจริญสติเราดูความรู้สึกของเราเรื่อยๆนั้นเวลาจะตายนี่ไม่แปลกอบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝึกมีจุดนี้นั้นจะไม่แปลกอบายแล้ว อย่างเราตามมูกควารู้สึกีย่งโงกลัเราก็รู้อย่างรู้อย่างนี้เรารู้ด้วยตามดูออยู่เรื่อยๆแล้วเกิดเราฝันวันนี้เราฝันมากกลัวเราฝันว่าผีดิบจะมาคอตกใจตกใจแล้วแทนที่จะไปดูผีดิบในฝันมาดูความกลัวเราความกลัวหายลับไปเลยถ้าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะพนะร้อมจะตายแนละ้วกนนีมิตรไม่ดีเกิดขึ้นคุณจะยอ้อยนจิตเพราะงั้นเราฝืนฝืนของเราไม่ได้ด้วย จะช่วยตัวเองได้กันทั้งในฝัเนเห็นไหแต่ไม่ใช่ฝึกวิปัสสนาในฝันนะเราฝึกทั้งนอกและทั้งในมันเป็นผลปล่อยได้เรียกเผลอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้สําคัญกสําคัญที่ตาตรงนี้แล้วนะที่หากรู้ก็อย่างเนี้ยสังเกตไหมใจเรื่องที่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เกิเดกเห็นตรงนี้ไหมหรือไม่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ จิตที่โหลงเกิดแล้วก็ดับตัวออกไหมไม่มีตัวไหนเป็นที่พึ่งได้สักตัวเดียวให้ mm hmm. ดูอย่างนี้ดูเรื่อยไปดูแค่นี้พอละไม่ต้องทําอย่างอื่น mm hmm. ในที่สุดก็จะรู้เลยว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับ mm hmm. สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับ mm hmm. ถ้าโสดาบันรู้ทํานั้นเองไม่ mm hmm. ได้รู้อะไรมากใจรู้นะไม่ใช่เห็น ตกล่องับสายไปแล้วขึ้นมายังไม่พอนะนี่เป็นหนึ่งในเก้าหลงแล้วรู้ไหมดีอ้ามาหลายปีแล้วเรื่องอยังคุณน่ะกอหลงบ่อยดีชมเชยอย่าหลงนานนะหลงนานไม่ดีหลงบ่อยอดี หลงแล้วทราบไหมเออดีเนี่เราไปนสนใจคนอื่นทราบไหมเออคุณเนะ <c ười> นี่ยเสียใจเราหนีแว๊บแว๊บแวบังดูออกบ้างไหมเด <c ười> เด็ดเดเดแม๊บนีไปคิดเพื่อนนื่นรู้สึกไหมเสียให้คอยรูไปอย่างนี้ส่วนไหนกลัวก็ไม่เป็นไรนะกลัวก็ไม่คุยด้วยเด็กเคลียด คนไหนไม่กลัว ล, าลา้าๆเรียนร่วมอย่างจะกลัวนะ ล, า ล, าลานะ่าๆไหมพ่อไม่ได้มุ่งจับผิดพวกเราแต่จะฝึกพวกเราให้หัดดูสภาวะให้หออกดูสภาวะไม่ลอกทำนิปาสนาไม่ได้นีไปคิดทรบนะาบไหมแต่ยาก้าไปแบบเกเกิดเห็นไหมเนี่ยยังคิดอยู่ทราบไหมเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจหลงคิดก็รั่วหลงคิด นีก่ก็ยังทั้งข้ามเรื่องนะชั่วโมงกว่าเราไม่เมื่อยเลย <c oughs> เออสายไปทิ้งไม่เห็นเลยแล้วก็วเรียกเห็นไหมจิตใจมันเคลื่อนไหวเรารู้อย่างนี้เอออย่าง น, าางนี้น่ายจะตายไหมเราไปทำที่ยากเองเนี่ยหลงแล้วทราบไหมเสอไปลืมสูลืมรู้สึกเงยหยิบ ยุ่ไม่เท่าไหร่แล้วลืมง่ายๆโอ้มันไม่ใช่ว่าลืมแล้วเป็นฆ่ารหัสนะพวกไม่ค่อยใส่ใจก็ลืมเก่งอย่างจะจะวางของอะไรเงี้ยนะไม่สนใจอวางส่งเด็ดอะไรเงี้จําไม่ได้งั้นอย่างการฝึกสติคอยรู้สึกคอยอะไรเนี่ยความจําอย่างเนี้ยมันจะมีจะจำได้วางของไว้ตรงนี้ก็จําได้ แต่ถ้าแก่แล้วสมองฟอกไปอีกเรื่องหนึ่งถึงจะรู้ยังไงเขาหลุดวับเดียวก็หลือหมดชนละส่วนกันการที่คอยตามรู้ตามดูตามรู้สึกเนี่ยจะทําให้จำแม่นอาจจะเออเออแค่นี้รู้ตัวแม่รู้ตัวมาละข้อมูลอยู่อย่างนี้นั่นไม่เข้าข้างนห้ามเข้าข้งไหน ทงานั้นปฏิบัติชอบไปถูกอยู่งใน<ม>หนาอะไรไม่ได้เหลวงพ่อมื่ก่อนนะี่ปฏิบัติมาดูอยู่กลางอกไปดูแล้วลึกเ ข, ากขา<ม>้าไปลึกไปเอาานเป็นแล่ซนะ้ำใเจอหลวงปู่ฝีหถู ก, ถ ก, ถกนั้นแย่แล้ว่แสวโอ้ยนิทานอะไรอยู่งในกิเลสอยู่ข้างนอกนี่ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ <c oughs> นิทานคุม่จะอยู่ข้างใน แต่เวลาเราปฏิบัติเราชับเข้าข้างในรู้สึกหมนันหลงนะนึกว่าหลงปฏิบัติหลงอีกแล้วสร้างไว้อเออครับเราเริมปิดไม่ครับเราไม่เร <c oughs> ิ่มนชินใ่าอาจารย์ทไมเออเนื้อคว่าชินในภาษาไทยนะภาษาแขกนะเรียกว่าทานุใสเริ่มหีไปคิดทราบไหมหีไปรีบรู้เลย ชื่ออะไรช่อ่งด้วยจู้ตกเป็นบ้านเ็นชู้เป็นเป็นอะไรล่ะลงไปอจงแล้วงมก็ยังดีแต่ว่าจู้ก็จะ่ไปตามมันเบืออไปรู้สึกขึ้นใหม่เลยถ้ามันจงลงไปแช่รู้สึกจู้ยากล้วยนมันทิ้งเลยใค่ล้มกระดาน เล่มใหม่ง่ายกว่าลุมพงษ์เลยลุงพงษ์หายยัหายหมดยังเออนะดูบีดดูกเริ่นใช้ลายแล้วรู้ไหมเออนะเก่งเห็นไหมเรียนที่นี่รุนแต่เก่งๆประเภทใจลอยแล้วรู้ไมไม่ใช่ว่าเก่งเพราะไม่ใจลอยนะเก่งเพราะว่าใจลอยแล้วเรารู้ถัง ไม่ใจรอยไปได้นะฮะไม่ใช่สาหารมยัีไปแล้วเปลวอกไหมฮัดแต่าัดฮัรู้ทันสฤติกรรมของจิตฮรู้ทันความรู้สึกมีสองนั้นนะรู้ทันความรู้สึกก็ได้เห็นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รก็รู้ทันแล้วรู้สึกโกรธรู้สึกรักรู้สึกหลงรู้สึกเนอรู้ทันความรู้สึกในอย่างนี้ ที่เรู้ทันกระบวนการทํางานของจิตใจชุด ท, ที่แรกเรารู้สี่ตัวใช้รู้จิกต่อหนึ่งตัวคือหลักข้กมโตกัดมูหะซุขทุกทีติดอะไรนี้รู้เป็นส่วนตัวเรารู้นานๆไปเราเห็นกระบวนการทํางานของเขาของจิตใจเหลือจิตก็วิ่งไปทางตาเหลือจิตวิ่งไปทางหูเดี๋ยวจิตก็ตวกิ่งไปทางใจเขาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูแล้วยังไม่ทุก เราวิ่งไปทางใจหรือมีทุกขึ้นมาที่มันทุกเข้าไปทำงานี่เรียนรู้อริยศาสตร์เรียนรู้ปจิตจสตุปปบาปหนึ่งถ้าเราเบื้องต้นเราเห็นตัวสภาวะเห็นร่างผ้าโต๊ะาโมหะเห็นเป็นตัวตัวเห็นสภาวะเห็นความรู้สึกจะเห็นใจลักเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเนื้อฝึกมากๆก็จะเห็นกระบวนการทำงาน แล้วตัวเนี้ยสัมพันธ์กันยังไงระหว่างจิตกับอารมณ์สัมพันธ์กันยังไงทํายังไงความทุกข์เกิดทํางไงไม่ทุกข์นี่เป็นความรู้ที่ละเอียดที่สุดอย่างในวิปัสสนาญาณจะเห็นเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไป น, นะนี่ก่อนที่มรรคจะเกิดจะเห็นอริยสัจี่เห็นเจ้าบุญการ ก็คิดไม่เอานะรู hmm ้ว่าจิตไปคิดอย่างนี Favorite ้ใช้ได้รู driving, ้เรื Leonard ่องที่คิดหนิไม่ได้เรื่องโยเว้นไปทำงานทางโลกนะต้องเรื <t> ่องนะอย่างกิมขับรถเห็นไฟเขียวเห็นไฟแดงเะไรเรื้องรู้นะว่าเขาปัญจัตว่าอะไรเห็นไฟแดงมีรถจอดอยู่ข้างหน้าโมกุญจะตากี่คันแล้วกรับผมอ่า เก่งลนะ้กำไรส่วนดีเดียได้ตั้งเยอะ <c oughs> แม้แต่แม้ทำกินน้ำที่ทำใจเฉยๆเห็นไฟแดงก็แปลงไม่ออกปฏิ <c oughs> บัติธรรมรู้จักช่วงไหนจะใช้ธรรมะประเภทไหนอันนี้ใช้ธรรมะกับโลกอยู่กับโลกใช้ธรรมะอย่างนี้ เวลาตอนนี้จะเจริญปัญญาจเจริญนิพพนาทำแบบนี้ก็ล่างไปอย่างธรรมาอยู่บนโลกเนี่ยแบบคุณนิสธรรมเนี่ยธรรมให้เป็นคนดีจะเป็นคนดีจะเป็นยังไรงรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ประมาณรู้การรู้ประสถานที่รู้รประชุมชนรู้เวลาอะไรไี่ใช่รู้จิตแล้วเป็นคนดีมีคนหนึ่งไม่รู้จัก ทำงานอยู่ด้วยกันฝั่งหัวหน้ามอบนายให้ทํำนักโปรยฉันจะปฏิบัติทำนะบังคับให้ฉันทํางานนะสมัครพรอกันจะมาตัวเขาสมควรแล้วเาาวขาจ้างมาทํางานไมที่เจ้างมาปฏิบัติเราแยกให้หออกเนยะใจลอยทราบไหมเรื่ยอยงศักดิ์ศรีนี่นะไม่ใช่หลวงพ่อไปจับผิดนะหนนลวงพ่อโปรยดีกว่า เคงมีเรื่อยๆที่เราว่าคอยจับผิดเรื่อยที่เราไม่มาละวันนี้ถ้าไม่มาหลวงพ่อก็ดีใจด้วยถ้ามาแล้วหลวงพ่อเหนื่อยแือวาร้ง่ได้รับอ้สว่าาที่มเการที่าจะได้รับอืมะมีได้รับหรือเราตัวเราจะได้รับแน่นอน ส่สามีจะได้รับหรือเ่าอยู่ที่เขาจะรับหรือเปาถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่รับได้เขาก็รับได้อย่ยงเขาไม่เป็นเทวะเขาไม่รับนะเขาเกิดเป็นคนเป็นผูแย่ผู้แว่อยู่เนแผลเปิดอุ่มๆได้ก็ไม่รับหรอกเขาไม่รู้ถ้าอยู่ในสภาวะที่รับได้เขาก็จะรับได้ มีการรับส่วนบุญเกิดบุญก็มีหลายแบบรับตรงๆเลยก็ได้รัพบพวกเพล่หรือย่างเป็นคนเป็นเทวดาอย่างพวกเราเนี่ยเห็นเพื่อนทําความดีหรือเป็นแม่แล้วเห็นลูกทําความดีแล้วดีใจด้วยคาว่าดีใจด้วยเรียกว่าดีใจตามเรียกอนุโมทนาก็เกิดบุญสําหรับเราขึ้นเองไม่ใช่เราไปรับมาจากคนอื่นนะอย่างเราเห็นคนทําความดีแล้วเราดีใจเนี่ยเป็นบุญที่เกิดจากของเราเอง เงี้เวลาทําเนี้ยทําไปตามหน้าที่นะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างบ็อกที่รับได้ไม่มากหรอกเพราะว่าเขาคุมที่ไม่รับส่วนบุญไปเยอะถ้ารับส่วนบุญได้มีเศษเท่านั้นเนี่ยไปเป็นพระเป็นเทวดาเป็นคนไม่รับเนะนี่ยเนี้ยทำไปแล้วก็ถ้าเขารู้ได้เขามีใจด้วย เขาได้ผลผมว่าส่วนใหญ่คนที่ตายไปนี้จะไปไหนบ้างคือมันจะไปไหนเนี่ยนะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเราเองไม่ต้องคนอยู่แล้วเราจะไปไหนเมื <c oughs> ่อก่อนหลวงค่อเคยเล่นเกมนี้ <c oughs> สังคนก็กลัวเลยเราแบบไม่เหมาะกันเลยดูหนาวเกมเนี้ยมันเล่นแล้วหนาว <c oughs> หากระดาษมาสักแผ่นนะหนึงว่สีสลายเขียนลงไปเลยเนะี่ย ถ้ า, ารับไฟมาวัดความรู้สึกของเราเราใส่เป็นช่องๆเลยก็มีตั้งแต่สุขสติเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มีโพรงมีสุขตินะมีเพลิมีสัตว์ในฉานสัตว์นรกเป็นช่องๆนะแล้วก็ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราไปติ๊กหนึ่งครั้งในช่องนั้นยกตัวอย่าง ทุกครั้งที่เรารู้สึกขัดใจรู้สึกโกรธนะใส่คะแนนไว้ช่องนรกหนึ่งคะแนนเพรานารกได้ไปด้วยโัวสัตย์ใครตรัวศักย์เกิดเมืองเนืองเรียกว่ามีอาชินนำกมที่ทํากรรมเมืองเนือ ง, อ ง, องที่เตรียมจะไปนรกถ้าคนไหนมีโลภเนืองเมือ ง, องไปใส่ช่องเปลวไว้เตรียมไปเป็นเปลวโลภทีม่มีหลายอย่างนะทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งรักเนี่ยทั้งเสียดายอะไรเงี้ยห่วงแหน่น ช่องโลภะถ้าใครเสผลอๆเผลอไปเรื่อยๆใจลอยก็ไปใส่เลยช่องเดลฉานหนึ่งคะแนนเพราะเดลฉานไปด้วยโง่ะถ้าใครใจบุญใจกุศลคิดถึงทานถึงสีขึ้นได้นะคิดถึงสร้างได้ไปใส่ช่องเทวดาช่องมรณะใครชับนั่งเคียงก็หลงเคียงฟุ้งไปใส่ช่องกลุ่มโลภไว้่คะแนนลองทำเลยสักครึ่งชั่วโมงนะหรือสิบนาทีก็พอ สิบนาทีนั้นไปติดกไปเรืยว่าคะแนนมันจะอยู่ช่องไหนคะแนนช่องไหนเยอะนแสดงว่าเราทําอาชินกรรมชนิดนั้นเยอะเวลาคนจะตายแล้วก็จะมีกรรมส่งผลให้ไปเกิดมันจะมีกรรมอยู่่หลายตัวที่จะส่งผลให้ไปเกิดไหมตัวที่หนึ่ง เ, เรียกว่าอนันตริยกรรมรกรรมที่รุนแรงที่สุดถ้าใคร ท, ทาตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมดีแล้วรู้แน่นอนเช่นปัลลุมขุนโหรนี่เป็นอนันตริยกรรมสายดี ไม่ต้องไปเล่นเกมเนี้ยยังไงก็สุขสติถ้าค่าพ่อข้าแม่มาก็ไม่ต้องเล่นเกมนี้ยัยงไงก็ทุกสติเงื่อ น, นตัวดำตัวแดงที่ให้ผลให้เกิดเรียกอาณาจารยกรรมเป็นครุ่กับกรรหนักตัวที่สองเรียกอาณาจรกรรมกรรที่ทํำตอนใกล้ตายอย่างทุกวันทุกวันนี่เคยฆ่าก่ทุกวั น, ว, นวันที่จะตายไม่มีแรงฆ่ากายเกิดเห็นธาตเดิมมาแล้วเลื่อมใส่ตายเป็นขนาดเลื่อมใส กรรมที่รุนแรงในขณะไส้สายจะให้ผลตอบ น, นี่ถ้าไม่มีการไม่มีกรรมรุนแรงคืออาสันนกรรมตัวนี้เกิดขึ้นมาตัวที่จะให้ผลตัวถัดมานะคืออาจินตกรรมกรรมที่ทํำสมบูรณวนี้ที่ให้หลัติดอยู่ส่วนใหญ่พวกว่าจะไปเพราตัวนี้ถ้าใจลอยแล้วจะติเดเดรฉาเลยแล้วส่วนใหญ่เราาดรฉาจริงๆนะส่วนใหญ่ใจลอยใจลอยบ่อยๆใจลอยยัง อยากเล่นหนึ่งคะแนนนะใช่ไนำไปละหนึ่งคะแนนหาเพื่อนให้สมมติเคยเล่น่ไมเกมนี้ก็เหมาะมากเลยดูร้อนพอเล่นแล้วหนาวลงเล่นก่อแล้วจะพบเลยว่าส่วนใหญ่ผิดผู้ทธกติเพราะงันเราอยากสมาบสมาบไม่ได้เหะุก พวกเราส่วนใหญ่จะไปคู่ตัดสินนี่เราต้องไม่ใช่เอนพูดถึงนะพระเจ้าบอกแล้วความจริงมันจะอยู่เราสามารถสุ่ตัวอย่างหนึ่งได้เพราะงั้นอย่าเสียใจเสียใจคือการจ่อช่องให้ตกนรกนะเวลาเราเศ้าโศกเสียใจที่เราตรนากตนรกความนี้แล้วนะก็คือสร้างความเคยชินให้จิตจะตกนรกต่อไปเพราะงั้นอย่าเสียใจ อดีตจบไปแล้วไม่เสียใจพยายามรู้สึกตัวฝึกผลคิตใจในปัจจุบันแล้วต้องคิดตัวคุณผลุณผลมูลจากการปฏิบัติเนี่ยมีอนิสงส์เยอ ะ, ะเยอะกว่าเางินเงินทอเราข้าวอะไรมาให้ราระสี่สร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรก็บุญเล็กน้อยบุญใหญ่เนี่ยคือบุญที่ประกอบด้วยสติปัญญาบุญที่ละกิเลสได้เป็นบุญใหญ่เหมนบุญที่จเจริญสติ ไปตามรู้ใจตามรู้ใจนี่เป็นบุญลร้กิเลสเป็นบุญที่ประเทือบปัญญาบุญชนิดนี้พาพิสมเยอะที่สุดเราะฉนั้นเราทำ บ, บุญเราทําให้เส็จนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองใครรู้ใจเราตัวเองได้บุญเยอะถอารู้ใจเราไปนะถึงเวลาหนึ่งเราก็นึกถึงเา้าบุญที่เราเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยขอให้เขามีส่วนแห่บุญ น, นี้อย่างนี้ได้บุญเยอะ คนอื่นก็ทําได้นะทำได้ยังทำจำนะครับือมีการตัากับตัวนจําแบบไม่ได้เจตนาจะทําคงประกอบไม่ครบเช่นเดินเดินไปเหยียบมดตายมันจำได้กาน้อยจะได้เจตนาดีเหยียบแต่ว่าทุ้มกล้าจําชนิดนี้ถ้าจำอื่นไม่ให้ผลตัวนี้ให้ผลแต่การให้ผลเอาให้ตัวเนี้ย ไม่ให้ผลในทางที่สุขไปเกิดแต่จะไปรับผลมันจะเกิดแล้วยกตัวอย่างเช่นช้าไปเดินเหยียบมดเหยียบมแมลงอะไรเงี้ยก็คือเพอที่ใส่ยทุ่สมสร้างมก็จะบาดเจ็บไปเรื่อยๆเดินๆเตะตอไม้มื่อนึนอ ง, น, <c oughs> ง น, นี่คือผลของกรรมชนินี้หรืออยู่ดีๆไม่ได้มีเรื่องอะไรตีกันโดนลุกลงจะมี เราใช้เรื่องกรรมไหมเราไปอ่านของท่านเจ้าปู่มยอะหึงอ่านรองมังค์นะครับแล้วเราทาแต่การับดูสว่าเราทาอาจินกรรมอะไรเสอหนึ่งเลยช่องเนรฉานถ้าเปลอถ้าโลกขึ้นมาช่องเปรือยถ้าโกรขึ้นมาช่องนรกคิดถึงฝีคิดถึงทางคิดถึ ง, นถงวนเวนีก็ส่อกัจฉิ นั่งซึมอย่างนี้ไปใส่ช่องสรงโลภหมถ้าโลภก็โลภนะเป็นลมทำอะไรแล้วี่รู้แต่คิดรู้ว่าคิดนะลองนัางสังเกตไหมพอเรารู้ว่าคิดเนี่ยเหมือนต้องซึมขึ้นอิกๆใจเราโล่งขึ้นเลยรู้สึกไหมทําไมต้องให้รู้สึกตัวรู้ไหมเพราะทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยคิดจะถอดถอนตัวเออกจากทุกข์ชั่วคราว เราเคยได้ยินใช่ไหมศีลติขาจิตติขาปัญญาติขาศีลสมสาธิปัญญาจะมีศีลก่อนเพื่อจะตัดเครื่องหนูรงางพันใจออกเนี่้วมันก็มีสมาธิที่ทําจิตให้ตั้งมั่นชั่วคราวให้คนจับทุกข์ชั่วคราวจะทําทานก็ได้จิตเป็นหนึงอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยจิตก็หลุดออกมาจับกองทุกข์ชั่วคราวหรือจะทําความรู้สึกตัวก็ได้จิตมันเคยไหลหลงอยู่ในนี้แล้วมันทุกข์อยู่มันทุกข์อยู่อย่างนี้แต่ไหลแต่ไรมันไม่เห็นทุกข์ คนเกิดอยู่ข้างกองขยะไม่เหม็นเพรน้นถ้าแยกตัวไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมใหม่นะจะรู้สึกว่าเหม็นมากจิตก็เหมือนการจิตอยู่กับทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเลยคืออยู่กับควาปลุกแต่งภายในเนี่ยไม่เคยเห็นทุกข์นานๆต้องแรงๆเห็ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวคือเราจะลุกออกมารู้สึกไหมว่าเวลารู้สึ ก, ส ก, สกตัวเหมือนรูกออกมาเดี๋ยวเขาลุกออกมาได้อางนี้นะต่อ ม, มาพอจิตไหลไอีกจะเห็นทุกข์ชัดเลยนิดเดี๋ยวกทุกข์แล้ว จะรู้สึกไหมว่าอึดหักเนี่ยอึดอัดขึ้นมาแล้วรู้ไหมเน่แค่เนี้ยต้องอึดหักแล้วใไหมแต่เดิมตรงนี้จะรู้สึกว่าสบายเพราะงั้นาการที่จิตตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตมีความตั้งมั่นแล้วเขาไหลงไปปัญญาเขาจะเกิดจะรู้ฟุ้งรู้เหตุแหตุฟุ้ง เ, เพราะฟุ้งเกิดเพราว่าจิตมีปัญหานี่เนี่ย <Yeah. S 1> เหนห ม, มันหนักขึ้นมารวมไหมเพราะอะไรเพราะว่าใจมันหลงเข้าไป แต่ถ้าเราลงอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนี้จะทุกข์ไหมไม่ทุกเพราะไม่เห็นตรงันการที่จิตต้องตั้งมั่นก่อนที่จะมีปัญญาที้ต้องบอกถี่สมาณที่ปัญญาจิตต้องตั้งมั่นซนก่อนหลูดออกจากกองทุกข์เชี่ยวชาญดกว่าเข้าใจไหมโจยี่เห็นไหมไม่งั้นเราก็นอนแช่อยู่ในน้นาําเล่าไม่เหม็นแถ้าหลุดออกมารู้สึกตัวขึ้นมาเข้าไปนิดเดียวก็เหม็นนะ เกิดเห็นชัดอดเหลือ4นาทีใครดีใจบ้างความเห็นแบบความเห็นมันก็ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแย่งเดียวกันใช่ไคือจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะั <c oughs> ้นศัพท์ยัพิถีถ้าจะว่าไปแล้วเป็นแค่ความคิดความเห็น ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาเราเรู้ดออกมาจากความคิดความเห็นเนี่ยขันห้าไม่ใช่ตัวเราอยนะู่แล้วสัจยาสิทธิไม่ใช่ของที่มีตลอดเวลาอย่างเด็กแรกเกิดมันไม่มีสัจยาสิทธิไ ม, ม่คิดอะไรคือความคิดถ้าได้ทําให้เกิดความเป็นตัวเราขึ้นมาเห็นความเห็นว่ามีตัวเราความยึดว่าเป็นเรามีอันหนึ่งนะก็ได้ ความเห็นเป็นตัวทิศที่ความยึดเป็นตัวบุปผาฐ า, านตัวนั้นตัวสกุลเดียวมันสกุลโล ค, คับแต่คนละเกล็ดทาไมถูงใส่อะไรยังเงันนักปริยะา่านแ่งดูไปลงมาแล้วอีมันมีความเู้สึกว่านี่เป็นเป็นคนแปลกันอะเออเหมือยาวความคิดใจใช้นะ แล้วอยากสังเกตมากนะดูเล่นๆดูให้สบายๆถ้าตั้งหกตั้งใจงเป็นเกตมากก็ยุ่งมีความูม า, าคิดต่ออธิบาย่เอออย่างเนี้เห็นไหมหลังจากรู้ไม่ทําอะไรที่หลวงพ้อบอกพ อ, อรู้แล้วก็บรรยายต่อภาพต่อคิดต่อหา ง, งานทำเสียเวลาคือเราได้ล้างทิ้งอารมณ์ประมามไปรู้อารมณ์ัญดาลแทนไะปรู้เรื่องที่คิด